ถ้าพูดโดยปรมัตถสัจจะแล้วชีวิตนี้ก็คือกระบวนการแก้ทุกข์อันยาวนานแก้ทุกอย่างนี้หายไปทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นหายทุกอย่างโน้นก็เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ยังไม่เห็นทุกข์ก็เพราะความเขาและเพราะความเคยชินเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทุกข์ไม่มีทุกข์มีอยู่แต่คนไม่เห็นหรือไม่รู้สึกเท่านั้น เพียงแต่ได้ฟังธ่านบรญดาเรื่องทุกข์เท่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นทุกข์ไมสบายใจเสียแล้ว <c oughs> อย่างที่ข้าพเจ้าเคยพูดมาแล้วคนเราไม่ชอบความทุกข์ไม่อยากได้ยินคําว่าทุกข์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องทุกข์จึงรู้สึกไม่สบายใจเป็นธรรมดาคนส่วนมากเมื่อได้ยินเรื่องทุกข์ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่บางคนพอไม่สบายใจก็เลิกพูดเลิกฟัง เลิกศึกษาเรื่องทุกข์ซะไม่กล้าก้าวเดินต่อไปตามทางแห่งอริยสักจกลับคืนไปอยู่ในโลกแห่งความขาวต่อไปจึงไม่มีวันพ้นทุกข์การที่ท่านเกิดความไม่สบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องทุกนี้แสดงว่าท่านข้าพเจ้าทำไมท่านกําลังยืนอยู่ที่ธรณีประตูแห่งอริยสั จ, จะแล้วจงก้าวเดินต่อไป ท่านผู้เจริญช่วยข้าพเจ้าด้วยเถอะท่านใจข้าพเจ้าช่วยอะไรบอกมาสิสุรเมธัสข้าพเจ้าควรทำอย่างไรจึงจะเชื่อว่าก้าเดินไปตามทางแห่งอริยสัจเมื่อท่านเห็นทุก์ยอมรับว่าชีวิตคือความทุกข์แล้ว ก็เท่ากับคนป่วยเห็นทุกขเวทนาของตนและยอมรับว่าตนป่วยจริงเมื่อยอมรับว่าตนป่วยก็จะเกิดความเบื่อน า, นายในความเจ็บป่วยอยากจะหลุดพ้นไปจากทุกขเวทนาเมื่อคนป่วยอยากหายป่วยก็เป็นการง่ายที่จะรับการรักษาพยาบาลจากหมอฉะนั้นก้วแรกคือการเห็นทุกขจึงเป็นก้วที่สำคัญที่สุดเมื่อเห็นทุกชัดเจนแล้ว ข้าวต่อไปก็คือการค้นหาสาเหตุค้นหาสาเหตุอะไรท่านเรวัตตะค้นหาสาเหตุของทุกข์เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรอะไรเป็นต้นเหตุอันแท้จริงของความทุกข์เหมือนกับคนป่วยค้นหาสมุดฐานอันแท้จริงของความเจ็บป่วยและอะไรล่ะคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ท่านผู้เจริญก่อนจะตอบปัญหานี้ อาตมาค่ายจะขอย้อนถามท่านสะกก่อนเชิญท่านผู้เจริญถามมาได้เลยท่านยอมรับแล้วไม่ใช่หรือว่าชีวิตคือก้อนทุกข์หรือกระบวนการแก้ทุกข์อันไม่รู้จักสิ้นสุดข้าพเจ้ายอมรับแล้วและเห็นแล้วว่าชีวิตคือความทุกข์ถ้าอย่างนั้นเหตุของความทุกข์ก็คือการมีชีวิตร่างกายใช่หรือไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นท่านสงสัยอะไรก็พูดออกมาได้เลยเราฆ่าตัวตายทําลายชีวิตเป็นการสมควรหรือไม่ชีวิตร่างกายนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนต้นไม้เหนือระดับแผ่นดินขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบใจจะตัดบันทิ้งสัก็ย่อมทําได้แต่การกระทําเช่นนั้นหาใช่การทําลายต้นไม้ที่ได้ผลดีไหมเพราะอะไรท่านเรวัตะ ก็าตราบใดที่ตอและรากของมันยังอยู่ในไม่ช้ามันก็จะงอกขึ้นมาอีกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาทีนี้อาตมาค่ายจะขอถามท่านเชิญท่านผู้เจริญถ้าเราจะทำลายต้นไม้นั้นให้สิ้นซาบไม่ให้งอกขึ้นมาได้อีกเราควรจะทำอย่างไร จะนึกออกหรื อ, อยังสุราเมธะควรทำอย่างไรจรึงจะทำลายต้นไม้นั้นให้สิ้นซากไม่งอกขึ้นมาได้อีกพระพเจ้าคิดว่าควรจะทำลายรากและต่อของต้นไม้นั้นด้วยไม่ทราบว่าผิดหรือถูกถูกแล้วสุราเมธะการทำลายทุกก็เหมือนกันชีวิตร่างกายนี้เหมือนลำต้นและกิ่งใบของทุกถ้าเราเกลียดทุกแล้วทาลายชีวิต ก็เท่ากับตัดต้นไม้ยังเหลือต่อแหลรากในไม่ช้ามันจะงอกขึ้นมาใหม่อีกถ้าจะทําลายทุกให้สิ้นซากก็ต้องทําลายรากของความทุกข์ด้วยอะไรคือรากเงอกของความทุกข์ท่านผู้เฒิญรากเงอกของความทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาถูกแล้วตัณหาหรือความอยากถ้าเราต้องการจะทําลายทุกให้หมดสิ้นไปตลอดกาล ก็ต้องทำลายที่ราบทุกขคือตันหานี้ถ้าเราทำลายทุกข์ได้แล้วลําต้นกิ่งใบของทุกก็คือชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําลายทําไมไม่ต้องทําลายละ่ะท่านผู้เจริญเพราะในไม่ช้ามันจะเหี่ยวเฉาตายไปเองตามกาลเวลาไม่เข้าใจเลยมองไม่เห็นเลยว่าลําพังความอยากยเป็นเหตุให้เกิดทุกได้อย่างไร ทางท่านดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมสุราเมธะถูกแล้วท่านผู้เจริญเข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจว่าความอยากทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วข้าพระเจ้าจะอธิบายให้ท่านฟังถ้าท่านเกิดความสงสัยในระหว่างนั้นก็ถามได้ตามสบายขอบคุณท่านผู้เจริญเชิญท่านอธิบาย นี้เป็นส่วนผลซึ่งเกิดมาจากเหตุคือตัณหาตัณหาเป็นอะไรตัณหาเป็นตัวเหตุมีหน้าที่ทําอะไรคอยบังคับชีวิตให้เต้นไปตามจังหวะแห่งทุกชีวิตเป็นแต่เพียงหุ่นให้ตัณหาเชิดตราบใดที่ยังมีตัณหาตราบนั้นชีวิตก็เป็นทุกถ้าหมดสิ้นตัณหาล่ะชีวิตก็เป็นเพียงสภาวะธรรม เป็นไปตามเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วแตกสลายหายไปไม่ใช่ทุกฉะนั้นชีวิตจะสุขหรือทุกข์จึงขึ้นอยู่กับตัณหาพระอริยเจ้าหรือปุถุชนต่างก็มีชีวิตเหมือนกันเว้นเสียจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลทําไมท่านเรวตต์พระอริยะบุคคลไม่มีทุกข์เพราะอะไรท่านผู้เจริญเพราะตัณหาของท่านหมดสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าใกล้ขอถามอีกนิดเถอดท่านเรวตะเชิญท่านสุราเมธะท่านต้องการถามอะไรถามมาได้เลยตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากความต้องการความหวังพระบรมศาสนาของเราทรงจําแนกตัณหาไว้สามประการมีอะไรบ้างท่านเรวตะกา ม, มาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหา กรุณาอธิบายด้วยกามาตัณหานั้นความอยากในกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะธรมารมภะวะตัณหาละ่าะภวะตัณหาความอยากในภพคืออยากเกิดอีกในทั้งสามภพภพใดภพหนึ่งรวมทั้งความอยากให้พบที่ตนได้อยู่แล้ว คงอยู่ตลอดไปวิภาวะตันห์อะท่านผู้เจริญวิภาวะตันหาความอยากในวิภพคือความดับศูญย์ความว่างเปล่าความไม่มีรวมทั้งอยากให้อารมณ์ที่ไม่น่าใคร่น่าชอบใจดับศูญย์ไปถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆด้วยภาษาธรรมดากามตันหาคือความอยากให้มาภวะตันหาคืออยากให้อยู่ วิภาวะตัณหาคืออยากให้ไปท่านผู้เจริญข้าพเจ้าใคร่ขอถามอีกสักนิดหนึ่งตามสบายสุรเมธะที่ว่าอยากให้มานั้นคืออะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไร ที่ว่าอยากให้มานั้นหมายความว่าเมื่อบุคคลต้องการสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นมาสู่ตนอยากให้เงินหมื่นกะหาปั น, นะมาสู่ตนอยากให้แม่โคโนมร้อยตัวมาสู่ตนอยากให้ปราสาทสูงสองชั้นมาสู่ตนอยากให้ที่ดาเศรษฐีปุ้งงามพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติมาสู่ตนอยากให้สักการะและสัมมาณะมาสู่ตนเป็นอาทิ ถ้าจะบรรยายสิ่งที่มนุษย์อยากให้มาสู่ตนแล้วย่อมจะไม่มีที่สิ้นสุดได้ท่านผู้เจริญความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆนี้ย่อมเป็นของธรรมดาสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เหรอข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าความอยากในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรดูก่อนอุบาสกก่อนที่จะตอบคาถามของท่านข้าพเจ้าอยากจะขอถามท่านก่อน เชิญท่านเรวตตถามได้เลยท่านเคยประสบกับความหิวอาหารมากๆหรือกระหายน้ํามากๆหรือไม่เคยท่านผู้เจริญในขณะที่กําลังหิวและกระหายนั้นท่านรู้สึกสบายกายสบายใจเป็นสุขหรือว่ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์เทพเจ้ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นทุกข์นั่นแหละท่านหิวกระหายทางกายรู้สึกกระวนกระวายเป็นทุกข์ชันใด ใจท่านหิวกระหายเพราะอำนาจความอยากท่านก็จะกระวนกระวายใจเป็นทุกข์ชันนั้นเพราะตัณหาคือความหิวกระหายทางใจนั่นเองความหิวกระหายทางกายยังดีกว่าหิวกระหายทางใจเพราะอะไรท่านเรวตะเมื่อท่านหิวกายบริโภคอาหารความหิวก็หายไปท่านก็รู้สึกเป็นสุขสบายแต่หิวใจ เป็นความหิวกระหายอย่างรุนแรงหิวกระหายอยากได้หลายสิ่งหลายอยา่างเมื่อบุคคลหิวกระหายทางใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นับจํานวนไม่ถ้วนขอให้ท่านคิดดูเถิดว่าจิตใจกระวนกระวายเป็นทุกข์มากเพียงใดข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านจิตใจที่หิวกระหายเพราะตัณหาจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ในเมื่อบุคคลได้สิ่งที่ตนปรารถนามาถนอความอยากแล้วความอยากก็หายไปบุคคลนั้นก็รู้สึกเป็นสุขสบายใจไม่ใช่เหรอบุคคลปรารถนาสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นสมปรารถนาเขาก็อาจจะมีความสุขอยู่บ้างแต่ว่าแต่ว่าอะไรท่านเลยวัดตักตามสภาพความเป็นจริงการที่จะได้สมปรารถนาทุกอย่างนั้น ไม่ใช่จะมีได้ง่ายๆท่านผู้เจริญบอกว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ใช่ได้ง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วสุระเมทะข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังอยู่แล้วท่านเรวตักท่านต้องการเป็นเศรษฐีมีเงินแปดสิบกฎด นั่นไม่ใช่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดแล้วทรับแปดสิบโกดก็ลอยมากองอยู่ตรงหน้าท่านท่านจะต้องทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรเน็ดเหนื่อยลําบากเก็บหอม อ, อมริบเป็นเวลานับสิบสิบปีจึงจะหาทรัพย์จํานวนนั้นได้สมมติว่าท่านต้องการความรู้ใช่ว่าท่านนั่งหลับตาคิดอยู่ครู่เดียวท่านก็มีความรู้แตกฉานในศิลปศาสตร์สิบแปประการ ท่านจะต้องเดินทางไปเมืองตักกศิลามอบตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ทิสาปามโมกตั้งใจท่องบนสาทยายบทเรียนด้วยความอุตสาหะปฏิบัติบำรุงอาจารย์ด้วยความเอาใจใส่เป็นเวลาหลายปีจึงจะได้ความรู้เพราะเหตุนี้ข้คพระเจ้าจึงพูดว่าไม่มีใครในโลกที่จะได้สิ่งที่ตนอยากได้ตามเวลาที่ตนอยากได้ไม่ว่าจะมีทรัพย์มากมีอำนาจมาก มีความรู้มากมีบริวารมากเพียงใดก็ตามทุกคนจะต้องลงทุนลงแรงจะต้องรอคอยด้วยความประวนกระวายใจทั้งนั้นแม้แต่ น, นั้นก็หาได้สิ่งที่ตนต้องการเสมอไปไม่สิ่งที่ตนอยากให้กลับมาไม่มาสิ่งที่ตนไม่อยากให้มากลับมาทุกคนที่ยังมีความอยากจึงเชื่อแน่ได้ว่าจะต้องผิดหวังประสบทุกข์ ท่านพูดถูกต้องทีเดียวท่านผู้เจริญแต่ข้าพเจ้าใลรจะขอถามต่อไปสักนิดหนึ่งเชิญสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมีฤทธานุภาพปรารถนาสิ่งใดสามารถในลมิตได้ทันทีท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าเขามีความสุขข้าพเจ้าจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังท่านจงฟังให้ดีนะแล้วคิดหาคาตอบได้ ว, ว่า คนที่สามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนต้องการนั้นจะมีความสุขหรือไม่นานมาแล้วมีนายพรานคนหนึ่งก่อไฟกองหนึ่งขึ้นในป่าเพื่อจะปิ้งเนื้อที่ล่ามาได้กินเป็นอาหารขณะที่ไฟกำลังติดฟืนลุกโฉดช่วงอยู่นั้น เขาไม่สามารถจะนำเนื้อเข้าปิ้งได้เพราะกลัวเนื้อจะถูกเปลวไฟลามเลียมไหม้สมบเขาจึงเอาฟืนใส่เข้าไปในไฟอีกขณะที่เอาฟืนใหม่ใส่เข้าไปนั้นเปลวไฟก็สงบลงชายคนนั้นก็ดีใจเรียบเอาเนื้อเข้าปิ้งแต่ไหนไม่ช้าฟืนใหม่ติดไฟได้ที่เปลวไฟก็ลุกโผล่ขึ้นสูงกว่าเดิมเขาต้องรีบนำเนื้อปิ้งออก แล้วเอาฟืนใหม่ใส่เข้าไปไฟก็สงบลงแต่ในไม่ช้ามันก็ลุกโชนช่วงขึ้นมาอีกเขาต้องรีบเอาฟืนใส่เข้าไปไฟก็เลยกลายเป็นกองใหญ่ลุกโชนช่วงยิ่งขึ้นทำให้เขาต้องหาฟืนมาใส่เปลวไฟก็ยิ่งลุกโผรงขึ้นสูงก็พระเจ้าขอถามท่านว่าในพรานคนนั้นจะสามารถเอาชนะเปลวไฟนั้นด้วยวิธีนั้นได้หรือไม่ ไม่ได้เลยท่านผู้เจริญไฟภายนอกบุคคลไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใส่ฟืนฉั้นใดไฟพบคือตันหาบุคคลก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการหาสิ่งต่างๆมาสนองฉันนั้นตันหาหรือความอยากของมนุษย์ก็เหมือนไฟนั่นแหละยิ่งได้มากก็ยิ่งต้องการมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเหมือนไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชือ้อเหมือนมหาสมุทรไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำแม้บุคคลจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนาเขาก็หามีความสุขไหมเพราะเขาจะมีความปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีวันสิ้นสุดเอาละ่ะวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านสนใจมาสนทนากันใหม่อีกเขาพระเจ้าต้องมาแน่เพราะท่านให้ความประจ่างแก่ข้าพเจ้ามากมาย วันนี้ข้าพเจ้าขอลาก่อน ไปย่างเข้ามาทุกๆเวลาเย็นกลุ่มเมฆหนาสีดำปรากฏขึ้นทั่วแว่นแคว้นแดนมคธแล้วหลังสายชนลงสู่ภาคพื้นคลุกเคลาด้วยเสียงพายุและเสียงฟ้าร้องคำรามวันนี้ก็เช่นเดียวกับทุกวันทั้งฝนทั้งพายุและเสียงฟ้าคำราม ฟังเหมือนเวลาหกเทพประบุขับต้นมู่เมฆให้เป็นลังสายน้ำตามนิคมชนบทต่างๆอย่างรเดเอ็นนำความชื่นฉ่ามาให้แก่มนุษย์และทุกชนิดอย่างเหลือลดน จับพรษาพระเวรลุวนาดามด้วยความสงบสุขไม่มีศัตรูของพระาศาสนามาเบียดเบียนกลั่นแกล้งบรรดาเดรธีนิครนนักปร า, าศดาลที่อื่นๆคงเห็นความสามารถเลยเข็ดขยะไปตามๆกันไม่มีใครขันอาสาสู้ด้วยทำมายุทธนาการอีกในพรรานี้ได้เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัตเป็นประจาทุกวันแม้แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้เสด็จมาฟังพระธรรมเทศนาและบำเพ็ญกุศลที่พระอารามเป็นครั้งคราวแต่ในระยะหลังนี้สังเกตเห็นพระองค์มีพระพักมนหมองไม่ค่อยตรัสอะไรมากนะเงียบขึมคล้ายมีปัญหาหนักในพระทยัย มหาบาพิตรอาตมาสังเกตเห็นพระพักพระองค์มนหมองมีพระกิริยาเงื่องหงอยคล้ายมีทุกข์อยู่ในพระไทยถ้ามีอะไรที่อาตมาพอจะช่วยได้อาตมาก็ยินดีพระปุณเจ้าโยมมีทุกข์ในใจจีงเป็นความทุกข์อันหนักหน่วงที่สุดเท่าที่โยมเคยประสบมาความทุกข์นั้นมีอะไรเป็นเหตุมหาบาพิตรเมื่อไม่นานมานี้ โยมได้โอรสองค์หนึ่งซึ่งเกิดแต่พระราชินีการได้พระโอรสสืบสันติวงศ์นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐควรที่พระองค์จะมีความสุขไม่ใช่หรอือมหาปภิดก็ควรจะเป็นเช่นนั้นพระกุลเจ้าแล้วทําไมละ่ะสําหรับโยมการได้พระโอรสแทนที่จะได้ความสุขกลับได้รับแต่ความทุกข์ทรมานเพราะเหตุใดมหาประภิด อาจเป็นเพราะโยมรักลูกมากเกินไปการรักพระโอรสและพระโอรสก็น่ารักน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะมหาบาพิธแต่ความรักของโยมที่มีต่อลูกมันเตือนให้โยมะระลึกถึงแม่เพราะอะไรเพราะโยมได้ปลงพระชนมาก ผมได้ปลงไปชนแม่ไปได้วยความโง่เขลาความรักที่โยมมีต่อลูกทำให้โยมเกิดความรู้จริงเห็นจริงเป็นครั้งแรกแม่ของโยมก็คงจะรักโยมเช่นเดียวกับที่โยมรักลูกในขณะนี้ความรักของพระองค์คงจะบริสุทธิ์และสูงส่งเช่นเดียวกับความรักของโยมความรักเช่นนี้ควรจะได้รับความเคารพ บ, บูชาเทิดทูน มากกว่าจะถูกฆ่าแต่เพราะความโง่เขาความหลงผิดและความโลภทำให้โยมตาบอดและปลงปรพระชนพระชนกของขตัวเองเพราะเหตุนี้โยมจึงเป็นทุกข์ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกเหมือนอยู่ในกองไฟตลอดเวลาถุกลังที่ได้เห็นหน้าลูกหรือได้ยินเสียงลูก ยอมรู้สึกเสียวสะดุ้งในหัวใจดุดถูขอเสียแทงบางครั้งยอมอยากจะหนีไปใหไกลแสนไกลเพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าลูกไม่ได้ยินเสียงลูกแต่อะไรมหาบาพิตรยมไม่ส า, ามารถทำเช่นนั้นได้เพราะความรักลูกขอพระคุณเจ้าช่วยโปรดโยมด้วยมหาบาพิตรเรื่องราวของพระองค์ เป็นเรื่องน่าสงสารเห็นใจอย่างยิ่งและอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขอยากที่จะแก้ไขแล้วจะทํำยังไงดีล่ะพระคุณเจ้าโปรดช่วยโย้มด้วยทนะ่าฟังอาตมาพูดจบสกอดมหาพิทถึงแม้เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขก็จริงแต่สําหรับอาตมาแล้วไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยจริงเหรอพระคุณเจ้าจริงสิมหาพิท อาตมาเคยประสบกับทุกแบบนี้มาแล้วในตอนแรกอาตมารประสบทุกอย่างหนักแต่ต่อมาภายหลังทุกนั้นก็บันเทาลงได้เพราะคุณเจ้าทําอย่างไรช่วยเน้นําโยมด้วยเถิดเท่าที่ทุกบันเทาลงได้นั้นก็เพราะอาตมาได้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา อาตามาจะเล่าเรื่องของอาตามาเมื่อครั้งเป็นโจรปล้นฆ่าประชาชนผู้ไม่มีความผิดให้มหาบาพิดปัก ก็ผิดกรรมชั่วที่อาตมาได้กระทำครั้งนั้นมันคอยหลอกหลอนจิตสนึกของอาตมาอยู่เสมอทุกครั้งที่จิตใจก้าวลงสู่ความสงบภาพอันโหดร้ายทารุณต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในค่วงนึกบางครั้งขณะที่นอนหลับก็ฝันเห็นผู้คนทุกเพศทุกวัยจำนวนร้อยที่อาตมาเคยสังหารด้วยมือถือหอกถือดาบวิ่งไล่สังหารอาตมา ทำให้ตกใจสะดุ้งตื่นด้วยตัวสันเทาและชุ่มโชคไป้ด้วยเหงื่อการหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับอีกแล้วต่อจากนั้นพระคุณเจ้าทำยังไงอาตมาก็นาตัวเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระธรรมวินยัยภาพหลอกหลอนเหล่านั้นก็เลยหายไปใช่ไหมพระคุณเจ้าระยะแรกความทุกข์ทรมานก็ยังติดตามรบกวนอยู่บ่อยๆจนกระทั่งได้ฟังพุทธโอวาท พระอาจารย์ถ่ายทอดให้ฟังจึงค่อยบรรเทาเบาบ า, างลงขอพระกุณเจ้าโปรด ถ, ถ่ายทอดพระพุทธโอวาทครั้งนั้นแก่โ ย, ยมด้วยเถิดบางทีอาจจะทํำให้โยมบรรเทาทุกข์อันหนักหน่วงลงได้บ้างคืนวันหนึ่งขณะที่อาตมากําลังละเมอส่งเสียงร้องด้วยฝันร้ายพระอาจารย์บังเอิญได้ยินเข้าท่านก็ได้เรียกอาตมาไปสอบสวน อาตมาก็เล่าเรื่องความฝันถวายท่านอย่างละเอียดข้าพเจ้าฝั น, ฝนอย่างที่เล่าม<ร>านี้นแล้วข้าพเจ้าฝันร้ายใช่ไหมท่านอาจารย์ถูกแล้วเนวรรเธอฝันร้ายเธอกำลังเสวยวิบาทุ ข้าพเจ้ากำลังสวยวิบากหรือทุกข์อันเกิดจากผลแห่งกรรมชั่วของตนเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลานี้เธอกำลังตกนรกเพราะอะไรท่านอาจารย์เพราะจิตใจของเธอถูกไฟทุกเผาให้เราร้อนซึ่งเธอจะต้องรีบแก้ไขเสโดยเร็ว ทำไมจะต้องเรียบแก้ไขด้วยล่ะท่านอาจารย์ถ้าเธอไม่คิดหาทางแก้ไขก็จะเป็นอันตรายแก่พมจันร์แล้วจะแก้ไขด้วยวิธีไหนท่านอาจารย์โปรดช่วยแนะด้วยการที่เธอทำผิดแล้วสำนึกผิดและได้รับความทุกข์ใจนีเป็นก้าวแรกในการระดับทุกข์ เพราะคนที่ผิดแล้วสำนึกผิดคือคนที่ปิดประตูแห่งความผิดไว้เบื้องหลังแล้วจะกล่าวเดินไปสู่ทางแห่งความถูกต้องต่อไปเชื่อได้ว่าเธอจะไม่ทำผิดอีกและจะไม่ต้องเป็นทุกข์อีกส่วนคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด คือคนที่ยังไม่ปิดประตูความผิดยังเปิดประตูผิดไว้และจะก้าวเดินทางผิดไปอีกมีหวังจะได้รับทุกข์เพราะความผิดของตนอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดเธอจึงควรภูมิใจว่าเธอได้ก้าวเดินตามทางถูกต้องแล้วความรู้สึกอันนี้ จะทำให้เธอสบายใจขึ้นเป็นประการแรกและประการต่อไปท่านอาจารย์ประการต่อไปคือประการที่สองขอให้เธอรู้ว่าขณะนี้เธอกำลังตกหนาว เจ้ลาลังตกนรกเังทีเท่านอาจารย์ถูกแล้วเรวจักเธอกํลาลังตกนรกกํลาลังใช้หนีกรรมเก่าของเธอเปรียบเหมือนบุรุษเป็นหนี้เข้าหนึ่งพันกหาปณะนะและกํลาลังผ่อนใช้หนีวันละสิบกหาปณะนะในขณะที่กํลาลังใช้หนีอยู่นั้น บุรุษนั้นอาจจะประสบทุกทุและกอดเดือดร้อนเพราะการหาเงินใช่นี้แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ภูมิใจว่ากําลังถอนใช่นี่กําลังถอนทุกข์ของเขาเขาเชื่อมั่นว่าถ้าถอนใช่นี่ต่อไปโดยวิธีนี้วันหนึ่งเขาจะเป็นอิสระ แล้วมีความสุขตรงกันขาม